ขอความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องมัทิริยสูตรในช่วงต่อไปก็บรก่อนมาถึงช่วงที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าคำกล่าวของเทวดาทั้งหมดนั้นเป็นสุภาษสิทธิ์โดยปริยายแต่เนื่องจากทั้งหมดเ อ, อเวดาเน้นเรื่องทาน พระการูระพุเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะที่เปิดโอกาสกว้างให้คนทุกคนเพราะการให้ทานบางทีมันถูกจำกัดโดยฐานะทางเศรษฐกิจหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นตัวเองจะต้องจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงดูครอบครัวเราไปให้ทานเซียนในช่วงนั้นมาก็อาจจะไม่พอจ่ายเพราะอย่างที่บอกว่าประเด็นของบุญ เทวดาท่านเน้นที่บุญเหมือนกันแต่ว่าท่านเน้นที่ฐานเฉยๆยังเคยบอกว่าทานเองก็เถอะมันยังมีอภัยทานซึ่งมันมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานยังในสังคมเราเราลองดูว่าเราเรียกร้องสมานฉันกันมานานมากแต่ถ้าเราดูกา ร, า ร, าการพูดการสัมภาษณ มันไม่ได้สร้างสมานฉันเลยวันก่อนได้ยินคณะกรรม ก, การขอตอสอเลยนะฮะผู้กระทบป ร, ยปรียบเทียบเปรอยถึงนักการเมืองในรัฐบาลก่อนก็ในทานองอเห็นว่าทุจริตตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้อนอะไรเนี่ยซึ่งตัวเองอยู่ในจุดตรงนั้นพูดไม่ได้เลย มันจะเกิดวิกฤตสศรัทธาคือคนก็ไม่ศรัทธาหรอกคนทำหนะ้าที่วินิจฉัยชี้ผิดชี้ถูกคนแล้วมาแสดงขวาก่ายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ เ, เขาต้องดูเฉพาะกรรมคือการกระทำเท่านั้นเขาไม่ไปดูที่คนจึงก็เรียกว่ามันขาดเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยการชี้ผิดชี้ถูกคนเนี่ยไปดูที่คนไม่ได้นะฮะต้องดูที่กรรม เอาเฉพาะการกระทาของเขามาวิเคราะห์มาตัดสินกันว่ากฎหมายว่ายังไงการกระทาอย่างนี้ในกฎหมายว่าอย่างไงมันไม่ใช่เราว่าแต่กฎหมายว่าทีนี้ถ้าหากว่าคนทาหน้าที่คล้ายๆศาลมาลงเล่นเป็นคู่พิพาทก็ค่ายถูกกล่าวหาไปเองนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรคื อ, อยุติธรรม ในขณะที่เราเรียกร้องแล้วก็ชื่นชมกันนะฮะว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแต่ก็แน่นอนเขาไม่นับถือพูดเขาอาจจะเป็นสุจริตในความหมายของาศาสนาเขาก็ได้เราก็ไม่รู้ตอนพระเจ้าแสดงที่พูดค้างไว้ในวันก่อนคือจะจบละคือว่าทบทุนสิหน่อยว่าบุคคลใดพึงประพฤติธรรมประพฤติสะอาดเป็นผู้เลี้ยงภริยา ว่าสองประเด็นนะครประพฤติ ธ, ธรรมกรอบกว้างนะรประพฤติ ธ, ธรรมแล้วก็มาย้ําที่ศีลก็คือกายสะอาดวิจาสะอาดแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงดูภริยาก็คือการประพฤติ ธ, ธรรมคือหน้าที่ของสามีแต่คํานี้จะต้องเข้าใจว่าเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะเลี้ยงดูทุกคนภายในครอบครัวไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเจ้าจงพัญญาแต่ผู้สมบูรณ์ปัจจุบันเราก็เรียกว่าเลี้ยงครอบครัว แต่นี้ก็เป็นการละความไว้ให้เข้าใจเอาเองว่าหมายถึงครอบครัวปัญญาก็มีลูกที่บ้านเนี่ย จ, จะมีพ่อแม่ก็เลี้ยงดูพูดง่ายว่าเลี้ยงดูครอบครัวเห็นไหมเป็นธรรมะคือหน้าที่และเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมากจึงให้ แล้วก็ส่งเทียบเคียงให้ดูทั้งฐานว่าเมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาพิสุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะนะแล้วก็บูบชาบุคคลเหล่านั้นแต่ผลก็ของการบูชาเนี่ยการบูชาของบุคคลเหล่านั้นจะไม่ถึงหนึ่งในร้อย หนึ่งในร้อยส่วนของการปฏิบัติธรรมเพราะการที่เราสามารถทำกายให้สะอาดวาจาสะอาดได้นะ่ะกายไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อผู้ครองคนอื่นวาจาไม่พูดเทศไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเลวไหลเนี่ยมันเป็นบุญระดับที่ประนีดขึ้น จริงการเว้นทุจริตก็คือการประพฤติทุจริตเป็นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับการใช้จ่ายแต่ประการใดแต่เราจับประเด็นของพระพุทธศาสนาให้ได้เนี่ยคำถามอะไรที่บุ้นบุ้นอยู่เนี่ยมันก็จะลดลงไปหลายเยอะต่อไปก็เทวดาอีกองหนึ่งนะฮะอีกตนหนึ่งได้กล่าว กับพระผู้มีพระภาคก้าว่าการบูชาภัยบูนใหญ่โตนี้ย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งทานที่บุคคลให้ด้วยความประพฤติเพราะเหตุอะไรเมื่อรูษแสนหนึ่งบูชาพิสุพันธ์หนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกระหาปณะการบูชาของบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลนั้นคือเทวดาเกิดสงสัยละสงสัยในตัวพระราชบัญญัติ เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าพระพระพุทธน้ำรัดก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะว่าเทวดาชุดนี้อย่างที่เคยเล่านะฮะประสบการณ์ตรงของท่านก็คือการให้ทานของอาจารย์ท่านที่ได้เนี่ยคือศีลแต่ว่าการที่ได้ไ ด, ได้สมาทานศีลจากอาจารย์ก่อนจะตายก็เพราะได้คบหาสมาคมกับสัตว์ปรุษทีนี้พวกเทวดา ท่านก็พบเห็นด้วยตัวท่านเองและโดยเฉพาะยิ่งคือตัวท่านมีประสบการณ์ตรง <c oughs> แต่ที่นี้การรระพฤติธรรมเนี่ยท่านก็ยังไม่เข้าใจหรอกเพราะถ้าเราดูประวัติประวัติของท่านเนี่ยก็เป็นคนเดินทางธรรมดาแต่ว่าตายก็โดยการสมาทานศีลก่อนตายแล้วก็รักษาอยู่ไม่นานหรอก็เรียกว่านับเป็นนาทีกัน จุดที่เจ็ดเนี่ยก็รับสินจบก็ตายเลยแต่ว่าตายด้วยจิตที่ผ่องใสตอนงัากก็เกิดส ง, สงสัยว่าการบูชายอย่างนี้มันใหญ่โตมากไปบูร์แล้วก็ใหญ่โตย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งทานที่บุคคลให้ด้วยการพฤติธรรม แสดงการพฤติธรรมจะมีผลมีริษฐ์มากกว่าเนี่ยตรงนี้ท่านท่านท่านไม่เข้าใจเพราะว่าประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ของท่านไม่มีพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าบุคคลเหล่าหนึ่งตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบหมายความว่าใครก็ตามที่จิตมันเหนียวนึกตรึกนึกดยอำนาจของอกุศล จึงนึกด้วยอํานาจความใคร่จึงนึกด้วยอำนาจพยาบาทจึงนึกด้วยอำนาจความเบียดเบียนจึงนึกด้วยความริษยาได้แข่งดีมันใจมันไม่สงบเราเว่าใจมันเกิดสนิมเพราะกิเลสเนี่มันเป็นมนถินของใจหรือเป็นสนิมของใจพุทธเจ้าก็แสดงว่าบุคคลเราหนึ่งตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบ ก็เป็นคำที่ส่งแสดงให้เทวดาคิดต่อธรรมที่ปราศจากความสงบก็คือกิเลสนะฮะให้เราสังเกตว่าถ้าเราคิดด้วยความโลภเนี่ยใจไม่สงบคิดด้วยความคล่เนี่ยใจไม่สงบคิดด้วยความพยาบาทเนี่ยใจไม่สงบคิดด้วยความไม่ชัดเจนเนี่ยใจมันจะพลันนะใจมันจะไม่สงบจะไม่นิ่งอยู่ในที่ใดที่หนึง่ง เพราะการการกระทำอย่างนั้นเป็นการส่รงใช้คาว่ามันก็เหมือนกับปราศ จ, จากธรรมปราศ จ, จากความสงบโดยวิธีอะไรโดยวิธีโบยเขาเบียดเบียนนะฮะโดยวิธีโบยเขาก็เบียดเบียนโดยฆ่าเขาก็คือปนานาติบาหรือทำเขาเศร้าโศกแล้วให้ทาน ตรงนี้เห็นได้ชัดนะฮะคือคือทั้งหมดเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งการโบยก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งการฆ่าก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือว่าทำให้เขาเสียใจก็ต้องเศร้าสูกเสียใจแล้วก็ต่อแต่นั้นตัวเองก็ไปให้ทานทานนั้นจัดว่าทานมีหน้าหนองด้วยน้ำตา หมายความว่าตัวเองก็ถูกท่วมทับด้วยความสุขซึ่งก็หมายความว่าใจใจไม่นิ่งไงใจไม่สงบมันถูกกลุ้มลุมด้วยความความสูขจัดว่าทานเป็นไปกับด้วอยอาดยาหมายความว่าทานอย่างเงี้ยเราดู มุญเจะนะเจตนาคือเจตนากนบุพัเจตนานะฮะเจตนากรที่จะให้หรือเจตนากำลังให้เนี่ยตัวเองก็มีมีทุกข์มีโศกอยู่ภายในใจพอหลังจะให้ไปแล้วใจมันก็ติดอยู่ที่โศกแล้วอาจจะรู้สึกเสียดายก็ได้เพราะันลักษณะของบุญที่เปลวชมราล้างมันก็ยังไม่ชัด เพราะบางครังบางคราเนี่ยมันเปลี่ยนจากกิเลส ต, ตัวหนึ่งไปหากิเลสอีกตัวหนึ่งท่านนักเด็เราจะถือว่าเป็นการชำระล้างก็ไม่ได้เช่นอะไรเช่นเราให้ทานโดยมีความประสงค์จะได้เหรียญตราบริจาคเท่านั้นจะได้เป็นคุณหญิงบริจาคเท่านั้นจะได้เป็นท่านผู้หญิงบริจาคเท่านั้นจะได้เหรียญอย่างนั้นอย่างนั้น ได้สายสภายอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นการเปลี่ยนโลภะจากเงินเป็นโลภะเหรียญตราเป็นโลภะตำแหน่งเป็นโลภะยศทีนี้ถ้าได้เนี่ยมันก็เกิดมานะคือความกระด้างขึ้นแล้วก็โลภมากยิ่งขึ้นตรงนี้จะใช้เงินตลอด เกือบพบคนบางคนน่มันวิ่งเต้นมาตลอดเลยวิ่งเต้นจนใหญ่โตถึงเราจะเห็นว่าเส้นเป็นเส้นทางที่ไม่ควรแก่การชื่นชมยินดีของคนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเราลองนึกถึงว่าฐานเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มขมักกะสัตร์แต่การโบยก็ดีการฆ่าก็ดี หรือว่าการบรรทุศลายในทรัพย์ในคู่ครองอะไรก็ตามครับมันเป็นเหตุให้คนที่กระทำเนี่ยเกิดสํานึกเสียใจทีนี้ ใ, ใจเวลานั้นมันก็มีความวิตกกังวลซึ่งเป็นกิเลสและในขณะเดียวกันก็มีความโศกซึ่งเป็นทุกข์ก็หมายความาว่าอยู่ในกลุ่มของทุกข์กับส ม, มุทยัย แต่วตัวทานเนี่ยมันเป็นมักทานก็คุนเนเพราะภายในใจยังไม่นิ่งยังไม่สงบเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจตนาทั้งสามการเกิดมีปัญหาในตัวของมันเองทั้งก่อนให้ทั้งขณะหให้แล้วก็หลังจากให้ไปแล้วเพราะงั้น <c oughs> ผลอ น, นิสงส์จึงน้อย เพราะว่าทานเนี่ยมันมากไปด้วยอาจฉยามากไปด้วยความรุนแรงนะการให้ทานของคนบางพวกเราจะเห็นว่าก็ปลอบตัวเองหรือ บ, บางทีก็เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่ได้เจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรทีนี้ก็รับสั่งว่า จึงย่อมไม่เข้าถึงส่วนแห่งฐานที่ให้ด้วยความสงบคำวมาฐานนี้มันหมายถึงธรรมฐานแล้วยทานนะที่ยิงก็เน้นเตียยาพยทานคือจิตมันสงบจากความอาฆาตพยาบาททนี้ราก็ต้องดูว่ากิเลสประเภทราคาประเภทโลภะประเภทโทสะประเภทโมหะนี่ กิเลสประเภทราคะกับกิเลสประเภทโลภะเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเราเพื่อปนปื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของเรามันก็มีโทษน้อยแต่ว่าคลายได้ชาเพราะเมื่อทำอะไรไปตาวหน้ากิเลสพวกนี้มันมีโทษน้อยก็แสดงว่าการข่าจัด ถ้าพอโลภะมันก็มีบุญน้อยแต่ทีนี้กิเลสประเภทโทสะเนี่ยมันมีโทษมากไปคลายได้เร็วเพราะงั้นเมื่อเราไปดับโทสะได้ก็แสดงว่ามีบุญมากแต่ว่าต้องรีบทำไม่งั้นมันดับก่อนราจละเอียดกุศลและเจตนาเป็นอันมากที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ต่อเนื่องไม่ได้ มันเกิดดับไปหรือว่ามันเกิดอากูสนขึ้นมาแทรกทีนั้นยกตัวอย่างว่าเมื่อจะฆาเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคมันเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยต้องรีบทำขณะนั้นรีบทำโดยด่วนทันทีทันใดเลย ถ้าไม่ทําแล้วถึงจุดหนึ่งเราจะทําไม่ได้เพราะว่ามันจะมีจิตทิฏฐิเนี่ยมักเรียกมัตเตอร์จิตคือจิตทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นท่วมทับจิตแต่เราลองทบทวนตัวเราในแต่ละวันนะครับวันมีกุศลเจตนาเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างเงี้ยในยามที่มันมีปัญหาเยอะีเต้องช่วยเหลือกันเนี่ยแต่วันทีมันก็มีปัญหาว่าเราก็ไม่มีอะไรจะช่วยอยากจะช่วย แต่บางทีมันมีอะไรจะช่วยแต่ว่ามันเกิดไปห่วงใหญ่ไปวิตกกังวลแต่ว่ากลัวต่ออนาคตจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นทันมันเลยก็มีปัญหามีปัญหาในภาคของการปฏิบัติว่าทำยังไงจึงจะปฏิบัติให้ได้ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยใจมันก็อยู่ด้วยกุศลธรรม พอใจไปอยู่ด้วยกุศลธรรมก็ก่อนให้ขณะให้หลังให้มันก็อยู่ด้วยกุศลธรรมเอาไยไปแล้วเอาไปเลยอย่างน้อยก็ไม่ผูกโกรธแล้วก็เรื่องก็ถือว่าแล้ไปแล้วก็จบไปแล้วไม่ต้องไปเบียดเบียนมาทุศร้ายกัน ปัญหาสำคัญในใจิตใจของคนเรานั้นคือโทสะอาจจะสงบลงแต่ยังเหลือสิ่งที่เราเรียกว่าอุปนาหะคือการผูกโกรธบางครั้งก็อาจจะแรงเป็นความอาฆาตเป็นความพยาบาทก็ทำให้ใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นสายไปสู่การทั้งสาม ไปสู่อนัตไปสู่อดีตว่าคนเหล่านี้ได้เคยทําอันตรายต่อเราคนเหล่านี้ได้เคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนเหล่านี้ได้เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คือกูลตรอศัตรูเราก็เกิดอาฆาตปยาบาทหรือบางครั้งก็อาจจะไปคาดหมายอ น, อนาาคตว่าในการต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อเรา คนเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือคนเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อจะจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราก็เป็นการอาฆาตพยาบาทล่วงหน้าเพราะ จ, จริงเหตุเหล่านั้นจะเกิดหรือไม่เกิด่มันไม่มีใครรู้แต่ว่าจิตใจของบุคคลที่ไปผูกเวรหรือผูกอาฆาตพยาบาทในลักษณะนั้น ก็จะมากไปด้วยความมีตัวกังวลหวาดระแวงแล้ก็กลัวจนบางครั้งสูญเสียความมั่นใจในตัวเองแต่เพื่อจะให้เกิดความมั่นใจก็มม จ, จะมีการข่าปิดปากหรือว่าที่เราเรียกในสมัยหนึ่งว่าข่าตัดตอนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ที่จริงแล้วมันเกิดจากความกลัว ว่าตนเองจะเป็นอันตรายหรือว่าความชั่วของตนจะปรากฏเลยจึงสร้างบาปใหม่โดยการฆ่าซึ่งก็ว่ากันตามความเป็นจริงเราก็ไม่แน่อนาคตเนี่ยเราอาจจะอยู่นานหรือว่าอยู่ไม่นานเขาอาจจะอยู่นานหรืออยู่ไม่นานเพราะสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน แต่เพราะว่าจิตใจเราลึกๆเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าเที่ยงแท้ที่เรียกว่ามีอาการของ ส, ะสะตะัตตตัฏฐิอยู่แต่เข้าใจว่าตัวเองจะอยู่ยั่งยืนนานและกลัวตัวเองจะถูกแก้แค้นร่างผลาญก็เลยตัดตอนซะก่อนบาปมันก็เพิ่มขึ้นความหวาดกลัวกฎหมายก็จะติดตามมา ความมีตกกังวลอาจจะถูกจับคุมคุมขังลงโทษและบาประดับการฆ่าสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เรื่องธรรมดาบาปนั้นก็จะติดตามสนองผลไปสู่อนาคตที่ไกลกว่านั้นอกีกก็คือถึงชาติต่อๆไปบ า, างครั้งบาจจะประรบในปัจจุบันแล้วก็มีไม่น้อยที่เราคิดตัวเอง คิดว่าคนนี้กำลังทาอันตรายต่อเรากาลังทาอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วก็เกิดโกรธเกิดตาคาดพาาิจาัณาป็นเหตนว่าการปฏิบัติธรรมะมันมีขอบข่ายที่จะระ ง, งับความรุนแรงของกิเลสได้ทั้งการในการทั้งสาม เรายุติโทสะยุติพยาบาทยุติความอาฆาตยุติการจองเวทได้จิ่งเจก็จะอยู่เป็นสุขจากขณะนั้นเป็นต้นไปในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเข้ามาประทุษร้ายเราแน่นอนการระมัดระวังเป็นเรื่องจําเป็นแต่ว่าถ้าเขาทำเนี่ยเขาก็บาปรุนแรงมากกว่าเรา คือถ้าเราเราไม่ทำชั่วอะไรเราก็ตายเร็วขึ้นแต่ก็ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสถานที่ ด, ดีแต่คนที่ประทุษร้ายเราก็เป็นการฆ่ามนุษย์บาปมันก็มากก็พูดถึงการฆ่าวันก่อนเนี่ยมีหนังสือที่แจกไปในปีใหม่คืออยู่เย็นเป็นสุขก็มีการอธิบายเรื่องศีทลทะลุกับศีลด่าง ปรากฏว่าคนเรียงพิมพ์ไปเรียงซ้ําจากการพิสูจน์อักษรก็เกิดเพลอไปที่จริงศีลทะลนุนะมันแรงกว่าศีลด่างคือการมองศีลเขาเรียกว่าองค์ของศีลองค์ประกอบของความผิดเป็นปณธิบาตมีองค์ห้นงสัตว์นั้นต้องมีชีวิตสองเราต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต สเราต้องตั้งจิตคิดจะฆ่าสี่เราต้องใช้ความพยายามที่จะฆ่าแล้วห้าสัตว์นั้นต้องตายด้วยความพยายามนั้นแต่ทีนี้พอทะลุเนี่ยมันไม่ครบองค์ค อ, องค์ที่ห้าเนี่ยมันหายไปคือสัตว์ไม่ตายชันเราตบยุงอย่างเนี้ยตบยุงแล้วก็ถูกเอาปีกเขาขาดไปนิดหนึ่ง สัตว์นั้นมีชีวิตใช่ตัง้งจิตครู้ว่าสัตว์มีชีวิตก็ใช่ตั้งกิตคิจะค่าก็ใช่ใช้ความพยายามคือตบลงไปนี่ก็ใช่แต่ว่าสัตว์ไม่ได้ตายบองอ์มันมมก็มีแค่สีะด้งถือว่าสี่มันถลุทีนี้อย่างกรณีของสีด่างเนี่ยองที่ห้าเหมือนกันคือตบแต่ผิดมันไม่ถูกอะไรเขาเลย แล้วเขาก็บินหนีไปแต่ว่าองค์สีนั้นมีครบแล้วสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้สัตว์มีชีวิตตั้งกิตกิด จ, จะฆ่าทำความพยายามที่จะฆ่าสัตว์ไม่ตายไม่บาดเจ็บแต่ทะลุในสัตว์บาดเจ็บแต่ว่าด่างในสัตว์ไม่ตายด้วยแล้วก็ไม่บาดเจ็บด้วยนั่นคือจุดที่แตกต่างกันหรือว่าท่านที่อ่านหนังสือจะไปเกิดข้องใจสงสัย เพราะว่าในวันจันร์ปลายปีมีคำถามซ้อนขึ้นมาถึงสองแผ่นในประเด็นเดียวกันข้อความเหล่านี้ก็อยู่ในหน้าสิบห้านะฮะของหนังสืออยู่เย็นเป็นสุขที่แจกในปีใหม่หนทางอันเปร i s t e ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ถึงการประพฤติธรรมแล้วก็ไม่ได้พูดระดับสูงนะฮะคือเป็นการพูดกับชาวบ้านเป็นการพูดกับเทว ด, ดาเป็นการพูดระดับศีลธรรมจัญญากา็หมายความว่าถ้าเราอดี <Quit. S 2> อมักมาจับคือตัวหลักก็คือสมาวิจาสมาบัติสมาชีวะพระสงท้ายคําว่า ย่อมประพฤติธรรมประพฤติสะอาดแล้วก็ตรงนี้ที่จริงก็คือยกตัวอย่างเพราะพอดีผู้ถามนั้นผู้กล่าวนั้นเป็นเป็นผู้ชายคือเป็นเทพระบุตรก็ส่งใช้คำว่าเป็นผู้เลี้ยงพัญยาหรือพูดง่ายว่าผู้ชายที่ทาหน้าที่กัสามีดีนั้นก็คือปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่ของสามีอย่างแนวที่หกซึ่งท่านผู้ฟังของจุคุ้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นหน้าที่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาอะไรแต่ว่าเป็นหน้าที่โดยความเกี่ยวข้องผูกพันกันในฐานะนั้นๆเช่นพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นหน้าที่โดยกำเนิด สามีกับพัญญาเป็นหน้าที่โดยความสมัครใจปรุงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อนกับเพื่อนก็เป็นหน้าที่ที่จะเป็นเพื่อกันครูกับศิษย์ก็เป็นหน้าที่ที่สมัครใจจะมาเรียนกับครูแล้วครูก็มีความยินดีที่จะสอนนายกับลูกน้องก็เป็นความสมัครใจร่วมกัน สมณะพราหมณ์คือนักบวชในศาสนากับพายุทยิกาเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกื้อกูลสนับสนุนกันในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทด้วยกันซึ่งความหมายความขอข้อผูกพันเหล่านี้เมื่อสถานะรเราเปลี่ยนเช่นสมมุติว่าคนนับถือศาสนาหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปเข้าอีกศาสนาหนึ่ง ในหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทําต่อนักบวชในศาสนาเดิมก็ยุติคือไม่ต้องทําแต่ถ้าถามว่าถ้าทําอย่างเป็นบุญไหมก็เป็นบุญพระบุญไม่ได้ระ บ, บุศาสนาแต่ระ บ, บุถึงกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้พูดเป็นเหตุให้ทำที่เป็นประโยชน์คือกูลต่อตนเองต่อบุคคลอื่นหรือเกือกูลแก่บุคคลทั้งสองฝ่าย เราจะเห็นว่าต่ทรงแสดงเทียบเคียงให้เห็นว่าผลของทานที่ส่วนใหญ่เทวดาคขเน้นที่ทานอวัตถุนะคือการให้วัตถุสิ่งของพระเจ้าทรงยกเอาการประพฤติ ธ, ธรรมกับการประพฤติสะอาดก็คืออยู่ในศีลว่ามีผลมีอานิสงส์งมาก เป็นสำนวนที่ท่านใช้บ่อยนะในภาษาบาลีคือหมายความมาส่วนหนึ่งของหลายๆส่วนเนี่ยเอามาส่วนหนึ่งและในส่วนนั้นและแบ่งออกเป็นสิบกส่วนบ้างเป็นร้อยส่วนบ้างหรือเป็นพันส่วนบ้างก็ในทีน่นี้พระพุมีพาการทรงถือเอาส่วนแห่งร้อย หมายความว่าในในจำนวนมากเนี่ยแยกออกมาหนึ่งส่วนแล้วก็แบ่งไอ้หนึ่งส่วนเนี่ยออกเป็นหนึ่งร้อยซึ่งก็เล็กน้อยมากแต่ก็เทียบแล้วเนี่ยมันก็สู่การปฏิบัติทมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสได้เห็นว่าตัววัตถุที่เราบริจาค่านนั้น มันไม่ได้อยู่ที่มากหรือที่น้อยแต่มันอยู่ที่เจตนาก่อนให้ขณะให้หลังจากให้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือตัววัตถุที่เรานำมาให้นั้นจะต้องได้มาในทางที่บริสุทธิยุติธรรมทางว่าเป็นเช่นนั้นก็มีผลเมียนในสงมากนี่ก็เป็นการสอนในลักษณะเทียบเคียงซึ่ง หมายความว่าในการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายสตงังแต่ในขณะที่ไม่ได้จ่ายสตังนี่แหละมันไปขจัดกิเลสที่มีโทษมากแล้วก็คลายได้เร็วก็มีคลายได้ช้าก็มีคือโทสะกัมโมหะวันทำให้ผลทำให้อนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการให้ทานไม่ใช่การปฏิบัติธรรม ก็มากกว่าการให้ทานที่บางครั้งเรียกว่าสหัสตานคือทานที่ให้เป็นพันพันเป็นพันพนเท่าและในตอนสุดท้ายเนี่ยออทรงจำแนกสรุปว่าบุคคลเราหนึ่งตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบ ก็มาความว่าไม่อยู่ในศีลนะครับว่าไงว่ามอยู่ในศีลนะด้วยการเบียดเบียนดยการฆ่าโดยการทำให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทานทานนั้นจัดว่าเป็นทานมีหน้าอันนองด้วยน้าตาจัดว่าทานเป็นไปกับด้วยอัจจาจึงไม่เท่า ถึงส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความสงบทีนี้พูดทานกระทานนะฮะ่ท า, านกัทานเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างความเดือดร้อนัห้แก่เขาก่อนแล้วก็ไปให้ทานทีหลัง้ครั้งครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มใน อ, อากุศลเจตนาคือปทุศสจิตมีจิตคิดปทุตสรายและปะทุตสรายลงไป ในที่นี้ทรงยกตัวอย่างว่าโดยโบยเขาโดยฆ่าเขาหรือทำให้เขาเศร้าโศกเอาความพัดพลากสูญเสียกับขังหน่วงเหนียวหรือว่าด่าทอให้เจ็บใจแล้วก็ไปให้ตัวนี้มีการพูดในตํานองว่า คนปากร้ายแต่จะดีซึ่งอาจจะเป็นการปกป้องนะครับแต่อย่าลืมมาถ้าปากร้ายมันก็เกิดด้วยอกุศลและเจตนาใจดีนั้นก็เป็นกุศลและเจตนาก็คนละเหตุคนละผลกั น, ป ร, นประเด็นที่พระเจ้าทรงสรุปเนี่ยหมายความว่า ตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบคือหมายความว่าจิตใจของเขาพฤติกรรมของเขาอาการกริยาวาจานั้นตั้งอยู่ในกรรมที่ปราศจากความสงบได้แก่ตั้งมั่นในกายกรรมวิจิกรรมและมนโนกรรมอันหาความสงบไม่ได้ซึ่งพูดไปพูดมาก็ไม่อื่นไปจากอากุศลกรรมบดสิประการ ต้งฝังลองสังเกตว่าธรรมะที่สอนชาวบ้านทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการพูดกเทวดาพูดกับกษัตรผู้เกษตรชีพูด ก, พ, ดกพรามต่างๆพรามเครื่อบดีทั้งหลายถ้าหากว่าคนเหล่านั้นไม่มีบารมีแก่กล้าพอก็จะรับสั่งระดับนี้ ระดักุศลกับบทสิบประการเนี่ยเป็นหลักอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ท่านอนาถบินนิกาเศรษฐีก็ดีพระเจ้ระเสนกีกุศลก็ดีซึ่งมีเยอะแต่ถ้าเราสรุปโดยเนื้อหาสาระแล้วก็อยู่ในกรอบขอบข่ายของกุศลกับบททั้งสิประการแต่บางคนแม้จะเป็นค่าวว่า อย่างยกตัวอย่างพยัสสะก็เป็นคราวาร่าแต่ว่ามีวาสนาบารมีที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระยบุคคลจนถึงสูงสุดคือเป็นพระหรันเพราะธรรมเทศนาแทนที่จะนิ่งอยู่ที่ฐานมันไม่มันไม่นิ่งมันเป็นยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยเขาเรียกว่าขัดเกลาจิตไปโดยลําดับเริ่มที่ฐาน เราก็ไปที่ศีลแล้วแสดงถึงผลดีของฐานของศีลเป็นเหตุให้ตายแล้วบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ก่อนจะตายก็อยู่ดีมีสุขในชีวิตปัจจุบันทีนี้บารมีก็แก่กล้าก็ทรงแสดงเห็นว่าการเสพกามหรือการเสวยสุขในด้านกรามขุกเนี่ยในการมที่เป็นชิป คืออยู่ร่วมกันของเทพประบุเทพธิดาซึ่งถือว่าทั้งหมดมันก็เป็นทิพย์แต่ก็คือการมคุณมันไม่มันไม่เกื้อกูลต่อการที่จะหลุดรอดจากสังสารทุกข์แต่ว่าทำให้คนหลงเพลิดเพลินอยู่ในสังสารทุกข์จึงทรงแสดงโทษของกามโทษของกามในชั้นนี้ทั้งโลกแล้วก็ทั้งสวรรค์ แล้วพอเขาเห็นเป็นโทษมันก็เกิดเบือนหนายก็าหา่างออกก็จะส่งแสดงกามมมณีนบคือโทษของกาไม่เห็นชัดเจนแล้วอันนี้สูงก่บการออกจากการรมแล้วก็ตั้งคาถามว่าทำยังไงจะออกได้ล่ะจากนั้นก็จะส่งแสดงอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการไปตามลาดับอันนี้ก็เรียกภูลานุศาสนีประธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากแสดงบ่อย แต่ไม่ใช่ครบชุดก้าข้อเสมอไปอย่างในที่นี้เราสังเกตว่าจะพูดเรื่องฐานกศีนแล้วก็ไปต่อที่สวรรค์ไม่ได้พูดถึงโทษของกามเรื่องนิสงของการออกชากกามเพราะว่าเทวดาท่านยังเพลิดเพลินอยู่ในทิปยสุขทรงรู้บารามีของท่านเหล่านั้นว่าจิตใจะยังไม่พร้อมที่จะไปหราะมันก็เอากันตรงนี้ก่อน ท่า น, นี้ก่อนทีนี้คําว่าโบยก็ดีคำว่าฆ่าก็ดีคือทําให้ตายก็ดีกวามหมายความว่าจจะทําเองหรืออาจจะใช้คนอื่นทําผู้โทษในแบบเนี้ยมันจะมีอยู่สองลักษณะคือทําเองก็ผิดใช้คนอื่นทําก็ผิด คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกออ็ไม่ใช่คือมันจะคล้ายๆคือศีลสี่ข้อแรกอะ่ะศีลสี่ข้อแรกเราฆ่าสัตว์เองก็ขาดศีลใช้คนอื่นฆ่าก็ขาดศีลรักทรัพย์เองก็ขาดศีลใช้คนอื่นลักก็ขาดศีลประพฤติผิดในทางกามก็ตัวเองก็เป็นวิจิตรจริต น, น, รรนะมันไม่ใช่ผิดข้อที่สามและผิดข้อที่สี่ แต่ว่าพอพูดเท็จเนี่ยตัวเองพูดเท็จก็ผิดบอกให้คนอื่นพูดเท็จก็ผิดในกรณี้เราจะพบว่าคนจะพูดอะไรง่ายๆจะมีคนโทรโทรศัพท์มามีคนในบ้านรับกขต้องการจะพูดด้วยก็ให้สอบถามดูว่าใคร พอรู้เป็นใครเมื่อไม่ประสงค์จะพูดด้วยเนี่ยก็เลยก็ให้เขาโกหกบอกเขาไม่อยู่ทางที่ตัวเองอยู่เราก็คุ้นชินกับการพูดในลักษณะนี้จนไม่รู้สึกตะกิตตะขวงว่าหาเรื่องทำบาปโดยไม่จาเป็นอะไรเราอาจจะบอกไปนิ่มๆบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพูด มันก็ต้องมีภูมิหลังอยู่พอสมควรนะนะฮะที่ว่าเป็นเหตุให้เราไม่พร้อมที่จะพูดหรือว่าค่อยพูดกันในโอกาสต่อไปหรือค่ยโทรมาแต่ถ้าบอกอย่างงั้นมันเป็นพันธกรณีคือข้อผูกพันที่เราจะต้องโทรกลับไปเพราะการการทำให้บุคคลอื่นร้องไห้แล้วเนี่ย ก, ก็กเป็นทานเหมือนกันก็ไม่ว่าเป็นทานแต่ว่า เราจะเห็นว่าจิตใจเขามีโศกะหรืออาจจะมีโทสะอยู่เราก็ไม่รู้อาจจะมีทั้งสองอย่างทั้งความโกรธแล้วก็ความสุขความเสียใจที่ถูกด่าว่าถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้ายเพราะมันก็ปะปนกันไปส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีทีก็ทรงสรุปว่า ทักษีนาที่บุคคลคุกคามผู้อื่นประหารแล้วให้เนี่ยเรียกว่าทักษีนาที่เป็นไปได้อาจยาหมายความมาช่วงให้มันก็เป็นบุญนั่นแหละไม่ว่าแต่ว่าบุญน้อยแต่ในขณะเดียวกันช่วงที่เราโบยเราโบยเขาเราทุบตีเขาเราอาจจะฆ่าเขานี่ก็เป็นบาปดังนั้นจึ ง, งสรุปว่า เราไม่อาจาเพื่อถือเอาหมาทานแล้วทำให้ชื่อว่ามีผลน้อยหรือว่าหรือทานน้อยทำให้มีชื่อว่ามีผลมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่ก็หมาทานนี้ชื่อว่ามีผลน้อยอย่างนี้เพราะไม่บริสุทธิ์ คือหมายความว่าการเป็นพระพุทธเจ้ามอการใช้ฐานฐานาบารมีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทานในลักษณะดังกล่าวมันก็มันมากเลยอจาจจะคนที่เราจะให้เนี่ยเขาก็เดือดร้อนอยู่ก่อนแล้วเราก็ไปซ้อมเติมเขาแล้วก็แปะอะไรละ่ะตัวบัวและรูปหลังจึงชื่อว่า ความบริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นยากแต่ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้นก็จะเกิดความบริสุทธิ์นี่ก็เป็นการสอนในระดับเดียวกันนะเรื่องฐานไปเรื่อยเรื่องฐานไปเรื่อยแต่ว่าทรงยกขึ้นสู่ระดับการประพฤติ ธ, ธรรมการประพฤติตนเป็นคนสะอาด กายสะอาดวาจาสะอาดหมายความว่าใจก็ต้องสงบพอสมควรถ้าใจไม่สงบแต่กายวาจาจะสะอาดนี่ได้ยากเพราะว่าอาการทางกายทางวาจาเป็นการสะท้อนจากจิตเ็าคิดยังไงในขณะนั้นเนี่ยอาการมันออกมาเนี่ยออกมาอย่างนั้นจะดีก็ตามจะชั่วก็ตาม ตังคังตังางหลายจะจะพบว่าพระสูตรคือในมัตตฉริยสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มเทวดาที่มากราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็เคยมาเฝ้าตอนพระพุทธเจ้าโดนพระเทวทัตกลิ้งหินกระทำให้หอบโรูหิตในสกิลสูตร แล้วก็มาเฝ้าในสัพพิสสูตรแล้วก็มาเฝ้าในมัทชริยสูตรแม้ในพระสูตรที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็เป็นเทวดากลุ่มเดียวกันก็มาในสาธุสูตรนะฮะทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าคือถ้าเราเราเราประมวลคนที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย มันจะมีคนซ้ำๆมีคนซ้าๆนี่อยู่เยอะคือแต่เทียบแล้วก็เหมือนกับคนเข้าวัดความธรรมจำศีลในปัจจุบันคือตาไปตามาถ้าเรานับเป็นคนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขมันจะซ้ำคือคนจะซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเป็นาศาสนาที่ เกิดขึ้นมาจากศรัทธาปัญญาคนต้องพิจารณาเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสในกรรมในผลของกรรมในการที่ตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วก็เชื่อมั่นในการศัสรูของพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นก็จึงหันเข้ามาสนใจศึกษาประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองเพราะเขาได้สัมผัสผลเมื่อก็มีความดื้มดังต้องการผลที่ประณีตมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็กลายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามนก็ตา น, นองแค่ๆกับสาธุชนที่ฟังรายการธรรมะเนี่ยหรือจะเจอว่าคนที่ฟังซ้าในเยอะคนจอนมาโอกาสที่จะฟังเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มเนี่ยเพิ่มน้อยๆนี่ก็คือธรรมดาของสตัตว์โลกทั้งหลายเขาเป็นอย่างนี้เองไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตาม